วันนั้นปีนี้70ถ้าหากว่าไม่ตายง่ายคิดว่าขึ้นสาลาชั้นบนไม่ไหวคงจะใช้สาลาชั้นล่างในเมื่อสาลาชั้นล่างมันยังแคบมันเป็นหลายขั้นตอนะฉะนั้นจึงได้ปรรพกับคณะนายช่างทางนายช่างรถไฟและใกันนายช่างมาจากกรุงเทพ ก็นั่งอยู่ที่นี่แหละท่านท่านมาเมื่อวานเนีท่านก็เห็นด้วยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ขยายศาลาชั้นล่างเมื่อต่อไปหลวงพ่อก็คงจะเดินถ้าเดินไม่ไหวก็คงจะใช้รถเข็นเข้ามาเหมือนกับครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่ออายุมากแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นทาให้ตายง่ายนะถ้าตายแล้วก็แล้วไป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 มันขาดนะเพราะนั้นต้องทานศีลภาวนานเป็นของคู่กันเป็นของไปด้วยกันเหมือนกับสา ม, สามขายอย่างถ้าเกิดมาพบนายชาติหน้าถ้าอ น, นิสงทานของเราไม่มีนะการทำมาค้าขายก่อนเนี่ยพกอยากอยากจนเพราะอะไรเพราะอา น, นิสงทานของเราไม่มีแต่พวกผู้นี่มีอ น, นิสงทานไปอยู่นัสถานที่ใดเป็นผู้ไม่อดไม่ยาก อนกสงสานเกือ้อกูลนุนในพระไตรปิฎกหรือในครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกแล้วมีมากเลยที่ว่าคนที่ไม่มีอั น, นิสงสานเกิดขึ้นมาแล้วยากจนแล้วก็อั น, นิสงสินก็คุ้มครองยังไงแล้วก็อนุภาวนาคุ้มครองยังไงมันเนเป็นเป็นขั้นตอน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 ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตปายอายุยืนข่าวนั้นสองมื่นปีท่านก็ไม่เคยทำบุญเกี่ยวกับอัฏฐบริขารให้หมู่พกเพื่อนไม่เคยสงเคราะห์พอมาบวชได้สำเร็จเป็นพระราหานแล้วพระพุทธเจ้ามองดูอดีตไม่มีไม่มีมมอเนสงไม่มีผลบุญพระพุทธองค์บอกว่าพาหิยะเธอจงไปสแสวงหาบริขารก่อนนะเมื่อครบแล้ว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 ไปสู่วัดป่าเชตตะวันพอไปหามพระเจ้ประชุมประชุมเพลิงเสร็จแล้วบอกว่าอธิธาตของท่านพายะเนี่ยโยมเนี่ยเอาไปไว้ในทางสีแ่งไปตั้งสถูปและเจดีย์ให้คนได้กราบได้ไหว้เป็นบุญเป็นกุศลพระสงฆ์ทลายก็ ง, งงอีกเหมือนกันทำไมพระพุทธองค์จึงใส่ใจถึงขนาดนี้พระพองค์บอกว่าเนี่ยพายะได้สำเร็จเป็นพระหานแล้ว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 และเรื่องอย่างอื่นก็ยังมีอีกมากสรุปแล้วก็คือประเด็นนี่มีอยู่สองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือการสาเร็จเป็นพระหารการที่สองก็คือไม่มีอัถบริการการที่สามคือบุพกรรมเก่าของท่านพาหิยะเพราะฉะนั้นเรามาพูดเรื่องอานิสงส์แห่งการทานที่เราปรารภเบื้องแรกว่าหลวงพ่อได้ปารภเบื้องแรกาอานิสงส์ทานในเมื่อคนไม่มีอานิสงส์ทาน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 หาต้นตอที่ว่าอันนี้สงทานเขามีไหมไม่มีในเมื่อไม่มีก็เรียกไม่ขึ้นใช่ไหมเหมือเรียกไม่ขึ้นก็เอาให้ท่านไปสแสวงหาบริขารตามที่ต่างๆให้ได้ซาก่อนค่อยบวชนะพาหิยะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนีสงทานไม่มีอันนี้สงศินก็คืออันนี้สงคุ้มครองเราไปนสถานที่ใดถ้าเราเคยฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเพราะอะไร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 เพราะอะไรเพราะเราเคยทำกับเขาไว้ในอดีตเราไม่มีสินสามีภรรยาก็เหมือนกันสินข้อที่สามไม่เคารพซึ่งกันและกันได้ลูกหลานออกมากันนะแตกสะลุผู้ผายไปคนละทิศทางพูดอะไรเข้าไม่ไม่เข้าใจกันทั้งที่จะมีเข้าใจกันก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าอ น, นสงสินชาติที่แล้วเนี่ยไม่เข้าใจกันอ่ หลวงละเมิดในศินข้อที่สามข้อที่สี่พูดให้พูดยาพาทีกับใครทั้งที่พูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีฟังใครฟังคําเป็นวาจาที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุไรเพราะเคยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเข้ามาแล้วในอดีตชาติเนี่ยนี่แหละแล้วก็ขดศินข้อที่ห้าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเป็นคนปัญญาอ่อนอจําอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่า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 ศีลคือกพีสมาธิที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือแก่นแก่นของด้านจิตใจให้เข้าไวาชำละกิเลสให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาติโยมได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะพวกเราก็ควรจะทำทั้งสามอย่างควรจะขนขวายทั้งสามอย่างทึ่งทั้งทานทั้งศีล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 เหมือนกับเขาจะแบ่งให้หรือไม่แบ่งให้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เราอนุโมทนากับเป็นบุญกุศลเขา้าใจของเราส่วนหนึ่งไม่เหมือนเราทำเองเหมือนกับเราคนอื่นทานอาหารแทนเราได้ไหมถ้าเขาทานเขาก็อิ่มเขาเราเขาออกกาลังกายเขาออกกาลังกายเขาก็ได้กาลังเขาเขาเรียนหนังสือเขาก็ได้เขาะ เขาปฏิบัติภาวนาเขาก็ได้เขานะเขาสร้างคุณงามความดีเขาก็ได้เขานะแต่เราเออไม่ได้ทำเราก็มีแต่อนุมโมทนาก็ได้ได้ส่วนหนึ่งคือขแสดงความยินดีกับเขาในเมื่อเขาทำดีเราก็ได้ส่วนส่วนหนึ่งน้อยนึง่งเพออออราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันไหนก็สู้ตัวเองทำไม่ได้ถึงจะมากหรือน้อยก็ทำตาม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 ทำด้วยความสบายใจทำด้วยความสุขใจแต่หลวงพ่อแนะนำว่าควรจะมีเท่า น, นเองถ้าเฉยเมยเกินไปอันนี้สงเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่พระพาหิยนะน่พวกใครๆก็ไม่พึงปราถนาทางนั้นใช่ไหมเนะพราะนั้นควรจะมีถึงจะมากเท่าน้อยก็ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศล น, นะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพร น, นะ น, นัตตินาะ